ขอความสุขความเจริญมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายธรรมะจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ก็จะพูดเรื่องทศพละสูตรทพลวัตรนะครับคือวัตรที่ทรงแสดงเรื่องของทศพลยานกับจตุเวสารษยาน ก็ตรงเน้นที่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าสองชุดและเพิงสังเกตว่าพระสูตรที่นำมากล่าวโดยลำดับที่อยู่ในยิทธานวักเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าทุกบทจะมาสรุปลงที่ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งก็เป็นความจริงที่แท้จริงเป็นการสรงแสดงอริยสัจอีกปริยายหนึ่งจึงมีทั้งสายเกิดและก็สายดับในสายเกิดก็เริ่มต้นที่อวิชชาในสายดับก็เริ่มต้นที่การดับแห่งอวิชชา ซึ่งถ้าพูดในที่อื่นก็จะพูดถึงเรื่องของวิชาแต่ว่าตอนนี้ก็ทรงเน้นที่คำประดับการดับของวิชาสังขารก็ดับถึงจน แ, แต่ละประโย์จะเชื่อมโยงในลักษณะนี้ก็มีท่านสาธุชนผู้ฟังบางท่านฟังแล้วก็ไปพบสิกุติมันบอกว่า ปฏิจจสมบาตเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากก็ยากนะฮะหมายความว่าคนที่จะรู้เห็นจริงๆเป็นความรู้เห็นที่เกิดผุดขึ้นภายในจิตอาจจะรู้เห็นด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการสนทนาหรือแม้แต่ด้วยการปฏิบัติ บ, ตบางระดับ แต่จะต้องเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจนเข้าถึงระดับมรรคผลยังจะเรียกว่าเป็นความรู้ความเห็นในปฏิจัสมบัติที่แท้จริงแต่ ถ, ถ้าถึงขั้นที่สมบูรณ์ก็ต้องเป็นปราหันประารการดับวิชาได้ก็มีเฉพาะปรารหาหันเท่านั้นในพระสูตรนีว่าท่านแบ่งเป็นวักก่อน แล้วก็แยกออกเป็นสูตรประสูตรแรกเรียกว่าบัตตมะทักษะบา ร, รสูตรรูสูตรที่ว่าโดยทศพลยานสิประการและยตุเวสารัชยาน4ประการเป็นการที่เกิดขึ้นเมื่อพูะเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเจศตะวัน อันเป็นอารามของอนาธบินธิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีพระราชดเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็รับสั่งว่าดูกันภิกษุทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยทศพลยานและจตะุเวสารัชยานึนตริยานฐานะของผู้องค์อาจ บรรลือเสียนาฏในบริษัททั้งหลายยังพรมมาจากให้เป็นไปว่าบังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้เป็นความดับแห่งเวทนาเป็นต้นนะฮะหมายความว่าก็ทรงแสดงขันห้าไปโดยลําดับ ทศพุยานั้นเป็นญานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าวดีคำว่า ท, ทศพล์เนี่ยเป็นพระนามเรียกพระพุทธเจ้าประการหนึ่งก็แปลว่าผู้มีกาลังสิบประการก็เป็นคุณสมบัติซึ่งเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากที่เกิดขึ้นมาจากการสั่งรู้พระอนุตตรสมมาสัมโพธิญาณ พันานระดับทศพันลายานมันก็มีได้เฉพาะคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนระดับรองลงมาก็มีได้แต่ไม่ถึงแในความต้องบุญพร้อมของทศพันลายานยานแต่ะละข้อนี่เราไม่ถึงนั่นก็นำแนกอธิบายทศพเหล่ายาน ทศพลายานเหล่านั้นไวประการแรกเรียกว่าฐานาฐานะยานคือทรงรู้ถึงสถานะของสิ่งต่างๆถึงความเป็นไปได้และความเป็นเปไม่ได้ของสิ่งตัว น, นั้นยกตัวอย่างว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทำความชั่วแล้ว จะตายไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งการกระทำความชั่วแต่อย่าลืมข้อความจะมีความกระชับมากมันมีความเป็นตรกรรมอยู่ในตัวหมายความว่าคนทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีก็ได้ดีนี่คือสูตรแะแต่นนี้พอดีเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ ในกรณีที่คนคนหนึ่งเช่นนายกอทำความชั่วไว้เป็นอันมากบังเกิดพอดีตายไปแล้วบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์คนก็จะเกิดความข้องใจสงสัยกันวันไหนว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วละ่ะแล้วทําไมนายก่อซึ่งทําชั่วตายไปแล้วจึงบังเกิดในสวรรค์ อย่าลืมนะว่าเวลารับสั่งเนี่ยว่าเป็นอาฐานะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ทำชั่วแล้วจะตายไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะการกระทำชั่วเป็นเหตุก็แสดงว่าการบังเกิดนั้นมันเป็นผลเกิดดีก็แสดงว่าเหตุดีเกิดชั่วก็แสดงว่าเหตุชั่ว วันธานายก็จะเกิดอย่างนั้นได้จริงๆก็แสดงว่าเป็นผลของความดีในความดีอะไรล่ะเพราะคนเรานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสกรรมมาในสังสารวัฏที่เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากเป็นวงจรเป็นวงรอเป็นวัฏจักร ึง ม, มีองค์ประกอบอยสา่าประการคือกิเลสอย่างหนึ่งกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ผลของกรรมอย่างหนึ่งจนงก็หมายความว่าผลกับเหตุนั้นจะไม่มีความขัดแย้งกันผลนอย่างไรแสดงว่าเหตุมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเวลาพูดถึงกรรมเนี่ยจะพูดถึงกรรมสามสามระดับใหญ่ ระดับหนึ่งเราเรียกว่าอัปปราปรเวตเนียกรรมแต่ตามปกติเราพูดไปข้างหน้าเราไม่ได้ย้อนว่าที่จริงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอนาคตอยู่ด้วยหมายความมันเป็นอนาคตของชาติที่แล้วเป็นอนาคตของชาติก่อนๆพอมาถึงข้าวมันเป็นปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันกรรมที่เราทําในชาติก่อนๆจะเรียกว่าอัปราประเวทเนียกรรมมันก็ติดตามคนมาแล้วพอนี้เราก็มีกรรมประเภทที่ทําไว้ในชาติก่อนดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีสองประเภทหละวันกรรมที่นํามาให้ผลอาจจะเป็นความดีในชาติก่อนๆไม่รู้ว่าชาติไหน แต่คนที่จะบอกได้ก็คือพระพุทธเจ้าคือเชื่อมโยงได้ผลเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรเราเองไม่มียานเราไม่มียานขนาดนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ที่เรารู้แน่นอนว่าเป็นผลของความดีที่คนทําชั่วในปัจจุบันเห็นกันจัดจา้าตายแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์มันก็เป็นผลของความดีของเขาความดีไม่อไรล่ะ อาจจะเป็นชาติก่อนๆอาจจะเป็นปีปีก่อนแล้วในปีเหล่านั้นมันก็มีเป็นเดือนๆปีหนึ่งปีสองปีสามก็ไม่รู้แหละหรืออาจจะเป็นชาติปัจจุบันแต่ว่าเป็นเรื่องของปีก่อนๆเป็นเรื่องของเดือนก่อนๆเป็นเรื่องของวันก่อนๆเป็นเรื่องของชั่วโมงก่อนๆหน้าที่ก่อนๆมันเป็นได้ทั้งนั้น จนถึงก่อนที่จะดับจิตที่เรียกว่าอาสันนะกรรมหรือกามจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนจะดับจิตในก็ทำชัวไปเยอะพอดีก่อนจะดับจิตจิตมันเกิดผ่องใสขึ้นมาเราไปคิดถึงความดียังใดยังหนึ่งแต่ก็ท่านก็ผ่องใสผ่องใสก็บังเกิดในสุขติมันก็เป็นความชอบกเกลี เพราะกุศลกรรมนำไปสู่สุคติในกระเดียวกันก็สงสแสดงว่าเป็นอภานะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทำดีแล้วตายไปจะบังเกิดในทุกติคือในแอบายอันนี้ก็ยกตัวอย่างามองเดวกันก็เช่นนายขอในทำความดีเราก็เห็นกันจะเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นมรรคทายก วัดฟังธรรมจำศีลอย่างต่อเนื่องใครก็เห็นแต่บารีได้กนายอนขอตายไปแล้วบังเกิดในทุกข ต, ติคนก็อาจจะข่องใจสงสัยว่าทําไมยึงเป็นอย่างนั้นละ่ละก็ตอบว่าอนที่เกิดในทุกขติเนี่ยมบาราจะเป็นผลบาปกรรมในชาติก่อนๆผลบาปกรรมในชาติก่อน ผลบาปกรรมในชาติตปัจจุบันแต่ว่าในปีก่อนๆในเดือนก่อนๆในวันก่อนๆในชั่วโมงก่อนๆในนาทีก่อนๆตลอดถึงวินาทีก่อนทำไม่ใจเศร้าหมอกตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกติได้แต่องกรรมประเภทนี้มันไม่นานหรอกถ้าหากว่าเป็นกรรมที่เป็นอาสานกรรมหรือกรรมเมื่อจนจนจะดับจิต นั่นก็ยกตัวอย่างพระนางมาริกาเทวีพระเอศีของพระเจ้าประเสนที่กศลทำความดีอนเนกอันนั้นเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่เป็นผู้นำในการทำบุญระดับนั้นคือถาวายทานแก่พระอราหันต์ห้า ร, 500ร้อยรูปยองประกอบมากมายไกลกองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าสามัญชนทำไม่ได้เนี่ย เวลาพระนั่งฉันมีช้างกันก้นจัดให้พระแต่ละรูปห้าร้อยเชือกแต่ปรากฏว่าก่อนจะสิ้นไระชนเนี่ยพระไตท่านเกิดปเป็นเหนียวนึกถึงเรื่องที่ทั้นละอายแก่ใจยอยู่ใจก็วิปฏสสานใจก็เร้าหมอตายไปแล้วก็ไปตกนรก ระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นทรงเชื่อมั่นว่าพนางมาริกาต้องบังเกิดในสุกติแต่ว่าสวรรค์ชั้นไหนเท่านั้นเองก็ามาควาพระพุทธเจ้าทุกวันจะกราบทูลถามจะรู้พระเจ้าก็ส่งบันดาลให้ลืมเพราะถ้าถามช่วงนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องรับสั่งทำความจริงถ้ารับสั่งอย่างนั้นท่านก็จะเสียพระทยัย พระเจ้าประเสรเิฐเนกุศลไม่ใช่พระยะบุคคลนะฮะเป็นผูุ้จนิตแต่ท่านไม่หนักแน่นมั่นคงอะไรเท่าไรหรอกพอครบเจวันท่านก็บังเกิดในสุคติตามกุศลกรรมที่ท่านกระทำเอาไว้แต่ว่ากุศลกรรมเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เป็นกุศลกรรมในชาติ ชทติที่เป็นพลังมริกาหรืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แต่สรุปว่าเกิดขึ้นรืยผลของกุศลกันพระพุทธเจ้าก็ส่งบันดาลให้นึกออกพระเจ้าประสินก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ก, ก ร, าาระกรับสั่งว่าเวลานี้อุบัติเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์มีความสุขความสำราญอย่างเทพธิดา พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทรงดีพระทยัยเห็นวเทวีสิ้นตะจนไปก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เรื่องกรรมก็คือเรื่องกรรมแต่ว่ามันมีรายละเอียดในตัวกรรมของมันหรือว่าเป็นอนภารณะคือเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันสองพระองค์นะ จะบังเกิดในขณะเดียวกันในจักรวาลเดียวกันพูดถึงในจักรวาลเดียวกันนะไม่จะพูดถึงจักรวาลอีกอย่างในปัจจุบันนี้อาจจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ทรงมุบาตขึ้นแล้วก็สั่งสอนมหาชนอยู่ในจักรวาลอื่นๆก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกจะเกิดในจักรวาล น, นี้ไม่ได้ ทำไมา่จึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องศัสรูอริยสัจ ส, สี่หรือปฏิจจสูงบาทนี่แหละแต่ถ้าคําสอนเรื่องอริยสี่ก็แพร่หลายอยู่เนี่ยจะเรียกว่าศัสรูก็ไม่ได้ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าพระหานดสาวกเรียกว่าสุตตพุทธนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าทร่งรู้ความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ เพราเราจึงพบวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าบางครั้งนี่มันมีกาละมันมีเทศะก็มันยังไม่ถึงเวลาก็าส่งยับยั้งไว้ก่อนอย่างใกล้ๆกับพระอานนท์เนี่ยพระเจ้ามีพระญาณอย่างรู้ว่าพระอานนท์จะบรรลุมรรคผลเป็นพระหัน์ก่อนการทําสังขารนาครั้งที่หนึ หลังจากพระองค์เสด็จดับขันธพินิพัทธ์ไปแล้วสามเดือนเพราะฉะนั้นจึงไม่รับสั่งให้พระนุนไปเจริญกรรมฐานก็เป็นเพียงประสูดาบันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะยังไม่ถึงเวลาสมมติว่าท่านจะเข้าป่าเจริญกรรมฐาน้ะก็เป็นห่วงใหญ่พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นอุปทาษนั่งกรรมฐานก็มีแต่ปฏิโพธ์เครื่องกังวลใจ ก็ไปไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละยังไม่ถึงเวลาที่นี่บางทีเนี่ยมันยังไม่ใช่สถานที่นี่พระเป็นจำรวจมากที่มาข้าวพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คนมากันมากๆ ม, มันก็ต้องคุยกันแหละคุยเสียงดังบ้างเสียงเบาบ้าง พระเจ้าก็จะถือเป็นเหตุที่จะล่ภิกษุเหล่านั้นแล้วกําหนดให้ไปอยู่ในทีนนท่นั้นที่นั้นที่นั้นพระทรงรู้ว่าพระพวกนี้ต้องไปอยู่ที่นั้นเท่านั้นจึงจะบรรลุได้อยู่ที่อื่นจะบรรลุไม่ได้นี่ก็ทรงรู้ฐานะคือเป็นไปได้แต่ถ้าอยู่ที่วัดประเจ้ตะวันบำเพ็ญเพียรไปไม่ได้หรอกเงาผลไม่เกิด สถานที่ไม่ใช่ของเธอเขาเรียกว่ายัางไม่ถึงที่ที่ที่ท่านจะบรรลุมรรคผลเป็นพระหันตรงนี้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นพระเมรุกิเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าก่อนพระอนุน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปดีๆนึกคินอะไรขึ้นมาไม่รู้เห็นป่ารื่นรมนาเข้าไปอยู่อาศัยกราบทูนพระพุทธเจ้าว่าอยาขอแวะเข้าเจริญสมณธรรมในป่าพุทธเจ้าก็รับสั่งไว้รอก่อนรอภิกษุรูปอื่นเข้ามาทำหน้าที่อุปถัก่อนท่านก็ยังเศ้าซีจะไปนั่นแหละ ในสุดท่านก็วางบาตรของพระพุทธเจ้าหลวเจ้าถือเองโดยอ้างว่ารู้เจ้าได้สิหุวงพ่อ จ, จ, จะรสรุแล้วเนี่ยท่านเองอย่างไม่แน่นอนมันอาจจะตายเสียก่อนก็ได้เดี๋ยวต้องรีบเข้าป่าพราะเข้าไปจริงๆมันทำไม่ได้มันเกิดวิปฏิสาจใจใ จ, ใจฟุ้งใจไม่สงบยิ่งกระสรับกระสายตเตอดิดเปิดเบิงไปกันใหญ่ เลยก็ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพเจ้ารับสั่งว่าเมกิยะรัะาคตกล่าวแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาทีานี้พอถึงเวลาพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ไปแล้วท่านก็บำเพ็ญเพียรก็บรรลุมักผลไปเพราะตรงนี้เราไม่มีศักยภาพก็เรียกว่าคล้ายๆที่พระพุทธเจ้ามีเราไม่มี เมื่อการสอนของคนรุ่นใหม่จึงสอนไปตามความสามารถที่จะสอนได้ที่จะอธิบายได้เรามีเงื่อนไของค์ประกอบของคนเป็นนันมากที่เราไม่เข้าใจเราไม่มียานอย่างรู้ขนาดนั้นอย่างในพุทธกิจ5้าประการของพระพุทธเจ้า ในข้อสุดท้ายที่บาลีบอกว่าปจุเสวะคาเตกาเลพระพาพระเ พ, าพาวิโลกันนันเวลาใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าจะตรวจดูสัตว์โลกแล้วใครปรากฏในข่ายปียานก็ะจะศึกษาข้อมูลของคนเหล่านั้นแล้วก็ส่งรู้ผลว่าอะไรจะเกิดแสดงธรรมะเรื่องอะไรแสดงอย่างไรแสดงย่อหรือว่าพิสดาร จะทรรู้ไว้โดยละเอียดมันเหมาะสมสำหรับคนนั้นบางทีก็ไม่พิสดารแต่มันเหมาะสมสำหรับอออเขาบางทีก็พิสดารแต่ก็เหมาะสมสำหรับท่านผู้นั้นนี่ก็ทําให้การเทศการสอนของบุตติยาประสบความสําเร็จพระทรงอาศัยพยานอย่างเนี้ยเรียกว่าฐานาฐานะยาน คือสิ่งที่เป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็การต่อไปก็เรียกว่ากรรมวิปลากยานหมายความมาทรงรู้ถึงกรรมและก็ผลของกรรมหมายความว่าใครเป็นอย่างไรเนี่ยทรงรู้ว่าไอ้ผลเหล่านี้ปรากฏเกิ ด, เ ก, ด, เ, กดเกิดขึ้นมันจะเหตุอะไรเหตุตอนนี้ต่อไปจะเกิดผลอะไร ทำไมทรงจำแนกกรรมได้โดยวิจิตพิสดารมากๆจนขนาดรักบวชนอกศาสานานสันสรินการจำแนกของพระพุทธเจ้าว่าเหมือนกับคนไปนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำก่อนจะออกทะเลนะที่ปากน้ำก่อนจะออกทะเลแล้วไปแยกได้แตว่าน้ำในมาสบุตร ในาน้าตรงนี้มาจากไหนตรงนี้มาจากไหนตรงนี้มาจากไหนตรงนี้มาจากไหนต้องแยกได้วันประยาน้อ น, นี้ก็เป็นการเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระทรงอย่างรู้ถึงพื้นฐานในด้านวาสนาบารมีของคนเหล่านั้นแล้วก็ทรงจะแนกแจกแจงธรรมออกไปโดยวิจิตพิสดาร ถ้าเรามองดูเนี่ยว่าธรรมะรกปอย่างว่าธรรมะที่มาบรรยา ย, ยธรรมะจากมหาวิาจยัยศรีปทุมก็บรรยายบรร น, นานหลายปีแล้วก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีเราไม่ไม่ได้ตั้งใจจำแต่เข้าใจว่าเป็นคัดเสร็จเป็นรอยๆม้วนแ แต่พ่อาเราเจอธรรมะซ้ำๆอยู่ตลอดซ้ำก็คือซ้ำแหพระสูตรซ้ำไม่แต่เราเราก็ต้องซ้ำตามพระสูตรเราไม่มีสิทธิ์จะมาว่าเาเองพู้เจ้าทรงแสดงอะไรอย่างไรเราก็อธิบายขยายความไปอย่างนั้นเพนันปริยายของธรรมะเหล่านี้เมื่อตอนเดือนกุมภา มาทำหน้าที่บรรยายสารัธรรแห่งพระไตรปิฎกสังเกตนะสังเกตพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกสี่ที่บ้าเล่นเนี่ยเขาให้พูดเท่าไหร่ล่ะสี่ห้ายี่สิบยี่สิบชั่วโมงแล้วก็พูดเท่าที่เวลาเลยฮะเราก็เตือนนักศึกษาอยู่ตลอดบอกลองสังเกตนะธรรมะนี่ก็ซาทำอย่างเงี้ย เพราะจริงๆมันมีรากง่าวมาจากอวิชากับวิชาแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นโรคกวดหลงไม่โรคไม่กรดไม่หลงสองฝ่ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วธรรมะปริยายอะไรก็ตามที่เป็นฝ่ายกุศลเราอ่านปั๊บเราเห็นอาการของไม่โรคไม่กรดไม่หลงเราเห็นการจางคลายของความโรคกวดหลง เห็นซ้อนๆกันไปนั่นก็คือเรื่องธรรมะธรรมะก็เป็นกฎอ่ะกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาพอมาถึงวันอภิธรรมเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายเ็าบอกว่าแล้วก็พูดโดยสรุปเรื่องจิตเจรติกรูปนิพพานมาก่อนสองชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วก็ให้ดูรูปแบบแันนั้นเอง รูปแบบของสังขารีเป็นยังไงพิพังเป็นยังไงธาตุกฐาเป็นยังไงประธานเป็นยังไงบุคลาบัญญัติเป็นยังไงเราก็ให้ดูเฉยๆว่ายังไงยังไงเวลาขนาดนั้นมันไม่มีทางเยจะไปบรรยายอะไรโดยพิสดารได้แร้วยิ่งแต่ว่าถ้าถามโดยเนะื้อหาสาระมันก็คลุมหมดม้แต่เราใช้คาว่านามรูปมันก็คลุมหมด โดยใช้กุศลนะกุศลน่ะพยากฤิตมันก็คุมหมดโดยใช้ศีลสมาธิปัญญาอินมารมังค์แปประการค่าคุมได้ทั้งหมดกันละในภาคของการปฏิบัติแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ในภาคของการนําเสนอมันขึ้นอยู่กับความแตกต่างในด้านจริตในด้านธรรมะในด้านจิตใจในด้านตัณหาในด้านอะไรต่างๆภายในใจคนเนี่ยพวกนี้มันวิจิต หลังทำาใหก็ต้องสอดรับกับอาการวิจิตของจิตนาวิจิตวิตกวิจิตวิจารก็วิจิต ว, จวิจิ ต, จ ต, จตไปเรื่อยธรรมะก็ตามไปแต่มันก็ไม่มีอะไรอื่นหรอกมันก็อยู่ในร่างกายเรานี่อยู่ในร่างกายที่ มีความยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณกมารหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี่เองไม่ได้ส่งแสดงอะไรจากที่ใดเลยก็แสดงที่ตัวตนของบุคคลนี่แหละมันเราจะเห็นว่าวิบากวิบากต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะเชื่อมโยงกลับไปหาเหตุได้เหตุบางทีมันอยู่ในอดีตที่ไกล บางทีก็อยู่ในอดีตที่ใกล้บางทีมันอยู่อดีตที่ใกล้จิตแต่ตั้งกระบวนการเมืกรรมที่กล่าวไว้ในตำม น, น, นี้บางเรื่องมันเป็นปัจจุบันปัจจุบันใกล้ปัจจุบันไกลปัจจุบันที่ไม่ถึงกคใกล้ไม่ถึงกคไกลบาทีมันผลมันจะเกิดในอนาคตก็ชงรู้ อย่างยกตัวอย่างพระนางอนุลาเทวีกัตนิถาภกินีของพระเจ้าเทวานามพิยดิบในเกาะลังกาตอนพระเจ้าสรงประชนอยู่ก็เกิดเป็นหมูกำลังกินอาหารอยู่ริมถนนพรธเจ้าเสด็จไปกับพระอ น, นุลรับสั่งว่าอ น, นุ์ หมูตัวนี้ต่อไปจะเกิดเป็นนางอนุลาเทวีในรัชสมัยของพระเจ้าเทวนนยามพิดิตแล้วก็จะได้ฟังเทศเป็นภิกษุณีรูปแรกในเกาะลังกาในการต่อมาก็เป็นเช่นนั้นแต่เราจะเห็นว่าวิบากมันอยู่ในอนา ค, คตไกลมาก หมายความมากกว่าที่ท่านจะเกิดเป็นพระนางโดราเทวีได้เพราะว่าตอนนั้นที่ลังกามันก็ว่าไปตั้งเกือบสามร้อปีนะฮะหลังพระพุทธเจ้านิพพานเกือบสามรอยปีนี่ก็คือด้วยผลของเรียกว่าวิปากยานหรือกรร ม, มวิปากยานพยายามที่อย่างรู้ถึงกรรมแล้วก็ผลของกรรม ทั้งอดีทอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะ โ, โดยเหตุตามความเป็นจริงฐานะมันเป็นยังไงเหตุมันเป็นยังไงเหตุนั้นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอย่างพวกชาดกทั้งหลายนี่เราจะเหตุมันเป็นอดีตพวกเรื่องของวัทระเถราคาถาเหตุมันอยู่ในอดีตวิมานวัตถุเปตะวัตถุเถราคาถาเถรีคาถาพุทธวงศริยาบิดก ะปรารทานและแไรต่างเหตุอยู่ในดีทั้งนั้นเลยผล ม, มาปรากฏในปัจจุบันเพราะทำไมผลอย่างนี้จึงเกิดขึ้นกับคนนี้อย่างนี้ทําไมผลอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนนี้อย่างนี้ก็ส่งอาศัยพยานรณ์แล้วมาแสดงชี้แจงสั่งสอนให้คนในปัจจุบันนั้นสมัยนั้นนะะหหมายความปัจจุบันขณะนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์จากธรรมะ นี่เขาเรียกว่ากรรมาวิปากญาณประการต่อไปเขาเรียกว่าสัพพัทธยานニปฏิปทายานเป็นพระปริชายานที่อย่างรู้ถึงทางดำเนินหรือข้อปฏิบัติ ที่จะทําให้คนไปในสถานที่ทั้งปวงประสบความสื่อมความเจริญประสบความทุกความความสุขบังเกิดในภพชาติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าง น, ง น, งนงั้นก็ว่ากันไปแล้วจะโยงมาดูก็หมายความว่าการไปเกิดของใครที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยแต่แน่นอนแหละคือถ้าเป็นเรื่องอนาคตก็ไม่ค่อยแสดงหรอกเส่วนใหญ่จะเป็น เหตุที่ให้คนเหล่านั้นบังเกิดในปัจจุบันแต่ว่าย้อนก็จริงๆก็ย้อนไปอนาคตในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงทางดำเนินที่นำคนไปสู่ความเสื่อมความเจริญความสุขความทุกข์ในปัจจุบันนี่แหละแล้วในอนาคตที่ไม่ไกลยังยกตัวอย่างเนี่ยยกยกตัวอย่างที่เราคุ้นคุ้น อย่างการละเมิดสีหาประการมันเป็นปัญหาจากกรรมแล้วมันก็เกิดขึ้นโดยองค์ประกอบเหตุปัจจัยทั้งข้างในและข้างนอกหมายความความโน้มเอียงภายในใจของคนก็มีลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วเกิดสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นอารมณ์บีบคั้นจิตใจ จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางสังคมมีปัญหาทางจษษิตวิทยามีปัญหาทางการศึกษาสารพัดที่เป็นเหตุให้คนละเมิดสี่หาประการได้และคนเหลนั้นก็จะประสบความเสูญความสูญนั้นก็ไม่ได้ห่างไกลยิ่งแต่ก็อยู่ในที่ใกล้ๆนั่นเอง ในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงเรื่องอบายยมุกเป็นทางสิทเราก็รู้เราก็เห็นเราก็เข้าใจแล้วตลอดถึงแม่ไรลที่พูดถึงคนที่เป็นอะไรเรียกว่าเป็นตุด๊ดเป็นแผลกเป็นอะไรต่างๆที่เขาเรียกกันเนี่ยก็วันก่อนก็จาภุณทีิวัตเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก็ามาคุยกันบอกเออปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะเนี่ย เราไปเราจะแก้ไขยังไงเพราะสภาพเป็นล้อมอย่างนี้สังคมอย่างนี้ฮอร์โมนอย่างนี้อาหารต่างๆเป็นอย่างนี้แต่ค่านิยมของสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปวันโอกาสที่จะลุกล้ำเข้ามาในสถาบันสงฆ์มันก็เป็นไปได้เราะคนที่เข้ามาบวชในสถาบันสงฆ์มันก็เป็นสมาชิกในสังคม แลพอดีมันมีปัญหาเรื่องวินัยหมายความว่าคนประเภทเหล่านี้บวชไม่ได้วินัยก็ห้ามไปห้ามบวชโดยเด็ดขาดด้วยแล้วถ้าบวชไปแล้วไปรู้ในภายหลังเนี่ยต้องให้สละสำนเพศออกไปเขาเรียกว่ายัตติกรรมไม่ขึ้นหมายความแม้จะผ่านกรรมวิธีทางคณะสงฆ์มาเรียบร้อยสมบูรณ์แต่ว่า ก็ไม่ทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นพระโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระวินัยเพราะคำว่าภิกษุเนี่ยแปลว่าผู้ที่สงพร้อมเพลี่ยนการยกขึ้นเป็นภิกษุโดยยัติจตุกรรมอุปสรรมัมปทาอันไม่กำเริบได้ชื่อว่าภิกษุในที่นี้อันนี้ก็คือปัญหาใหญ่และพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าปัญหาเหล่านี้มันต้องเกิด ถึงาหมายความว่าก็ต้องช่วยกันดูแลใครที่รู้จักชัดเจนในสถานะของตัวเองก็ไม่ควรบวชเข้ามาพอแม่พี่น้องที่รู้ว่าลูกของตัวเองเป็นอย่างนั้นก็อย่าใช้วิธีผลักไสให้เข้ามาบวชเพราะมันแทนที่จะเป็นบุญมันจะเป็นบาปก็ใช้โอกาสในการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดปฏิบัติธรรมะต่างๆก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะ หรือว่ากัตามความจริงถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าต้องบวชเป็นภิกษุเป็นสา ม, มนเณรเป็นอะไรแต่รเนี่ยที่จริงก็ไม่เป็นเป็นะถ้าเราพูดถึงนับจำนวนพระเรียบุคคลที่เป็นพระสงฆ์ก็เป็นชาวบ้านเนี่ยสมัยพุทธการเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าชาวบ้านมากกว่าครับอย่างเช่นบริวารของพระเจ้าพิมพิสาร อยู่พระเจ้าเสด็จไปโปรดในปีแรกที่สัตว์รูดิท่านเป็นนาทีเดียวทั้งแสนสองไม่รู้อีกสักกี่ปีนะฮะพระจงมีแสนสองเนี่ยแล้วท่านเป็นพระบุคคลได้ทั้งแสนหนึ่งนะฮะแสนหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งหมื่นนั้นก็ประกาศตนถึงพระเจรสนาคมุ แล้ราเนก็ปิดประตูบายได้เรียบร้อยเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็เป็นได้ถึงพระนาคามีนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่คนจะต้องพยายามทำความเข้าใจแต่ว่าถ้าพูดถึงทางเสื่อมเนี่ยมันเช่นทงแสดงอบายามุ ก, กเป็นทางเสื่อมนั่นเรามีความชัดเจนว่าปัญหาบายามุกต่อไปจะใหญ่มาก แต่ถ้าเราเกิดปัญหาเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าปัญหาอาญากรรมจะตามมาปัญหาายมุกจะตามมาอาญากรรมในรูปแบบต่างๆการค้าของเถื่อนอาวุธเถื่อนจะมากมายเกิดกองหรือไม่รู้จะว่าอย่างไงนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงว่าทางดำเนินในชีวิตของมนุษย์เนี่ย เราไปก็จะไปไหนไปไหนไปไหนเ น, นี่ยพระเจ้าส่งแสดงไว้แล้วหรวงพ้าก็ทรงทำในรูปของการชี้ทางที่เราสวดว่าชี้ทางบรเทาทุกขสส์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนริพานน์พ้ น, พนโศกโยคภัยนั่นเองทรงรู้ทรงรู้เห็นทางเหล่านั้นว่าทํายังไงไปทางเสื่อมทอํายังไงไปทางเจริญในทุกบริยายของธรรมะเป็นอันมาก ที่เราคุ้นคๆเช่ น, นมงคลสูตรเนี่ยมันก็เป็นปฏิปทาที่จะนำไปสู่ความเจริญแต่คุณต้องเริ่มต้นที่ไม่เข้าพานด้ได้ก่อนจากนั้นก็จะเดินไปสู่ความเจริญนี่ก็เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ดำเนินไปในฐานะทั้งปวงจะตลอดทังมรรคผลนิพพานเห็นว่าธรรมะมันเป็นทางไนงะ เป็นทางนารกเป็นทางเปรตเป็นทางอสุรกายเป็นทางให้เกิดสัตว์ยัจฉานเป็นทางให้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีความลดหลั่นกันขึ้นไปและเป็นทางที่จะดำเนินไปสู่สวรรค์ดำเนินไปสู่พรหมโลกดำเนินไปสู่อรุพรหมดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานก็ทรงแสดงในฐานะที่เป็นทางแล้วถ้าใครดำเนินไปตามผลทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแสดงไว้ คนเหล่านั้นก็จะเข้าถึงจุดหมายปลาทางนั้นๆตามกําลังความสามารถที่ยิ่งหยอดไม่เหมือนกันประการต่อไปก็ทรงรู้เขาเรียกว่าโล ก, กธาตุความแตกต่างกันของของโลกเรียกว่าอนเนกธาตุคือธาตุมันสารพัดธาตุอเอกนั้นไม่รู้รักเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโลกธาตุที่มีความแตกต่างยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันมากมายกายกองตามปกติแล้วมันก็เป็นผลของสัพพัญญุตญาณถามว่าเรารู้เห็นไหมเรื่องบางเรื่องเยวสามารถรู้เห็นได้บางเรื่องเราไม่อาจรู้เห็นได้ พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นด้วยประญาณเราไม่มีญาณพระเจ้าทรงรู้เห็นด้วยทิฏฐิจักสุเราไม่มีทิฏฐิจักสุพระเจ้ารู้ทรงรู้เห็นด้วยพุทธิจักสุเราก็ไม่มีเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่ว่าไกลตัวมนุษย์เพราะงั้นถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะไม่เอามาพูดเป็นว่าต่มีการอธิบายธรรมะในลักษณะอย่างเนี้ บรรลือมาพระสุตนี้มันเกิดขึ้นเหนืออธยาศัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระประสงค์ในรูปของการบรรลุดุลราชสีเราเรียกคำรามประกาศดุลราชสีด้วยความองอาจร่าหาไม่ขั้นคามขามเกรงในใครทั้งหมดเป็นการท้าทายในตัวว่าสามารถพิสูจน์ได้ทุกอย่างที่ทรงแสดงว่าทรงมีทรงเป็น ก็าสามารถจะพิสูจน์ได้วความจริงที่แท้จริงในเรื่องเหล่านั้นเป็นยังไงดังนั้นพยานเหล่านี้ตามปกติแล้วเราก็ไม่เข้าเอามาพูดกันเท่าไหรเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของพระพุทธเจ้าแต่คนอาจจะตั้งคำถามมาทำาะไรฉันไม่รู้หอ่อกาคุณไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะ เราจะรู้ได้ยังไงทีนี้เรื่องบางเรี่องวันก่อนก็ตดึกแล้วนะประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มนะเราสี่ทุ่มแนะก็มีคนโทรมาถามปัญหาเรื่องการอุบัติของพระศรีอริยเมตไตรมันก็สืบเนื่องมาจาก เอกสารที่มาตอบหรือว่าบรรยายเนี่ยก็ลืมๆเขาได้ยินเข้าก็ไปเห็นมาในเอกสารเล่มหนึ่งเนี่ยมันไม่ว่าอย่างนั้นก็เป็นพระไตยบิฎกฉบับประชาชนของอาจารย์สุชีพบอกว่าท่านอาจารย์ท่านสรุปย่อแต่ที่อัตธรมอธิบายเนี่ยมันก็พิสดารกว่านั้นคือบอกว่าเราจะรอคอยอะไรกับภะษีอาา ภาษีอ่านมนุษย์ในโลกนี่คนมันเสื่อมไปจนต้องเหลืออยู่ิสิบขวบเนี่ยแล้วค่อยๆใจเริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจนถึงก็แสนปีแล้วเสร็จแล้วจะลด ล, ดลงลดลงลดลงลดลงเห ล, ลือแปดหมื่นปีพระเสียยาเมตตาจึงอุบัติขึ้นในโลกแล้วเราไปคิดรอคอยพระเสียยาเมตตาอยู่เรารู้ได้อย่างไรวตอนนั้นเราจะเกิดพบพระพุทธเจ้าเราไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ ในเราตกอบายก็จบสิ้นเราเกิดในพรหมโลกก็จบสิ้นและทีนี้บางทีเราก็เกิดไกลปืนเที่ยงเกินไปแล้วก็มีโอกาสยากเพราะพระพุทธเจ้าในอนาคตมีจริงแต่ว่าไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืนนี้หรอกหรือบางเรื่องในเรา เราไม่ได้มองถึงกดความจริงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ย, ยากการจะมีชีวิตดํารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องมันก็เป็นไปได้ ย, ยากยการมีโอกาสได้ฟังพระัท ธ, ธรรมมันก็เป็นไปได้ยากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจา้ามันก็เป็นไปได้ยากตอนนี้เราพร้อมหมดแล้วนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในขณะนี้เรายังไม่ตาย ตรงนี้ไม่รู้โอกาสฟังพระสัธรรมเราก็มียแล้วพระพุทธศาสนาก็ประดิษฐานอยู่แล้วพระเจ้าจะทรงประชานอยู่หรือไม่ทรงประชาชอยู่ที่จริงไม่ใช่ประเด็นพระเจ้าทรงประชาชอยู่พระองค์ก็เป่าประหม่อมให้เราเป็นพระยาบุคคลไม่ได้เราก็ทำหน้าที่ ส, งส่งแสดงควาจริงเป็นยังไงล่ะ ทำจึงเป็นยังไงก็สรงแสดงไปอย่างนั้นคนต้องน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่รธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมและความรูก้ก็ความเห็นก็เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้รับผลไม่ใช่เรื่องที่เอามาแจกแบ่งกันเป็นชิ้นเป็นอันได้ การครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาโอกาสอะไรก็พร้อมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เว้นาบายจะมุกให้ได้พยายามรักษาสีนาให้ได้ก็เป็นบุญยิ่งแล้วถ้าฟังมาหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงพั น, ทนิที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรม